อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทุกๆเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะเปิดรายการหรือเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณนะคะซึ่งสําหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นธรรมเนียมว่าเราจะเป็นเรื่องของการสนทนาธรรมะโดยดิฉันจะได้มีโอกาสที่จะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโน แล้วก็นําท่านผู้ฟังทางบ้านมาสากัะชาหรือสนทนาธรรมะซักถามแทนท่านผู้ฟังกับท่านพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระาอาจารย์ผู้มุ่งในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปรีกเล้นตามพุทธโอษขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดป่าดอนไหโศกของเรานี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตโตภาสูหรือท่านพระครูสิทธิธ์ภ า, ากรท่านเป็นเจ้าอาวาส ของวัดซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศเลยนะคะท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติเป็นที่เคารพเครื่อมใสายอย่างมากทีเดียวค่ะค่ะเช้าวันนี้ก็นําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมรสการพระอาจารย์ไพบูลอภิบุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะแล้วก็มาสักการ์พูดคุยกันถึงเรื่องของความสําคัญของวันอาสารหักวชาซึ่งกําลังจะมาถึงอยู่อีกภายในไม่กี่วันข้างหน้านะคะคือในวันพระรหัสบดีที่สองอ สิงหาคมนี้ก็จะถึงวันขึ้น15บห้าคเดือน8นะคะซึ่งก็จะเป็นวันอาสาฬห บ, บูชาแล้วจากนั้นก็จะเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ซึ่งก็เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโญก็ได้มาสาธาให้แง่คีดแก่ท่านผู้ฟังและเกี่ยวกับเรื่องของวันเข้าพรรษานะคะเช้าวันนี้ก็มาฟังเรื่องของวันอาสาฬห บ, บูชากันก็ขอกราบน้มสักการพระอาจารย์ไพบูุญอภิโพภโญเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเชิญผาน สาธุเจ้าค่ะอารลำดับแรกคงจะขอความเมตตาพระอาจารย์ปับูรณนะเจ้าค่ะว่าได้พูดให้ทั้งผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบเป็นการย้ําเตือนกันอีกสักนิดนึงเถิดเจ้าค่ะว่าสําสหรับวันอาสารฮ บ, บูชาก็คือวันขึ้น15ค่ําเดือนแปดของปีเนี่ยเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึง่งแต่วันนี้เป็นวันสําคัญอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะปีที่แล้วเราก็พูดเรื่องนี้นะคุณเตือนใจเจ้าค่ะทุกปีเราก็พูดทุกปีเลยนะ <anto> <divide S 2> แต่คนจะลืมเจ้าค่ะเราต้องย้ำเตือนใช่ตามหลักประชาสัมพันธ์เจ้าค่ะคุณคุณเตืนใจเคยเรียนเรื่องวันอาสาฬหบูชาไหมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะเขาเขาเขาสอนยังไงบ้างในโรงเรียนน่ะโรงเรียนก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าแสดงธรรมครั้งแรกถูกไหมเจ้าค่ะมาจากกัปปวัตนนสูนะใช่ที่ป่าอิสิ ปตนามฤุกะทยวาวันอย่างนี้เค่ะเรา<ช>เราก็จะจําได้อย่างนี้เจ้าค่ะจนติดมาถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> จนในกลก้จะเสียแล้วยังจําได้นะคะ <c oughs> แต่ว่าหลักต่างๆเนี่ยที่อยากจะให้พระอาจารย์ไปบูรณาเมตานำมาสากชาในชาวันนี้เนี่ยยมคิดว่าท่านพระอาจารย์ต้องมีเทคนิคในการที่จะนํา <c oughs> จุดไหนมาพูดแน่นอนเจ้าค่ะจะเป็นประโยชน์เจ้าค่ะนี่ก็ก็จะขอพูดถึงเรื่องที่ยังไม่เคยพูดซะก่อนคือเรื่องของเดือน8ดเดือนนี้มันเดือน8ดนะตามปฏิทินไทย ปีนี้ปีนี้มันเป็นปีที่พิเศษกว่าปีหนูหน่อยหนึ่งตรที่ว่ามันมีเดือนแปดสองขนเจ้าค่ ะ, ะเดือน8ปดสองขนเอ๊ะทำไมมีเดือนแปดสองขนถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องปฏิทินทางจันทร์ละเขาเรียกว่าทางดวงจันทร์นะนะเจ้าค่ะปฏิทินที่เกี่ยวกันทางดวงจันทร์เนี่ย เ, เขาจะมีเดือน8ปดสองขนบางปีนะจะปีเว้นปีหรือว่า2ปีทีหนึ่งอะไรเป็นลักษณะนี้ซึ่ง้ถามว่ามีทําไมคือถ้าไม่มีเนี่ย วันวิสาขาบูชาของเราเนี่ยจะไปตรงกันกันกบวันคริสธรรมก็ได้อืมจกค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีการชดเชยเพราะว่าเดือนในรอบหนึ่งเดือนของดวงจันทร์เนี่ยมันแค่28วันแต่รอบหนึ่งเดือนของดวงอาทิตย์เนี่ยบางทีสามวัน3าวันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ต้องมีการชดเชยขึ้นมาในแต่ละปีทีนี้พอมันมีการชดเชยตรงนี้ก็เลยไปโผล่เป็นเดือน8ปดสองหนในเรื่องนี้ก็ ในหลวงรัชกาลที่4ท่านได้เป็นผู้ที่ริเริ่มพาตามตรงนี้มาก็มีในเมืองไทยนี่แหละที่เป็นลักษณะของการกคำนวณเดือนในลักษณะอย่างนี้นี่คือเดือนแปดสองขนในลักษณะของเดือนแปดสองขนก็จะเป็นขนที่สองเดือนที่สองของเดือน8ดเนี่ยที่จะเป็นวันอาสาลาบูชาแต่จริงๆแล้วเดือน8กับเดือน6เนี่ยคือคือจริงๆเริ่มของเรื่องเดือน6เดือนแปดเดือนสาเนี่ยนะวันอาซาหาวัน อะไรแบบวิสาขาบูชาอาสารหาัและก็มาค้าบูชาเนี่ยมันจะเป็นลําดับคือเดือนหเดือนแปดแล้วก็เดือนสามหกแดสามจำอย่างนี้ทีนี้คือมันเริ่มเรื่องมาตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าตรัสรู้เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วแต่ทีนี้พอเราดูกลับไปเนี่ยเอามันกลายเป็นสมเดือนเนะเพราะว่าปีนี้มันมีเดือนแปดสองโหดนะ่ะอข้าใจไหมทีนี้ว่าอพอเราพูดถึงเรื่องอาสารหัสบูชาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอการปฐมเทศนา ตรงเรื่องนี้นะคุณเตินใจธรรมาก็ไปพูดทางเรเดียลไทยแลนด์นะซึ่งก็ออกอากาศวันเสาร์อาทิตย์นี้เหมือนกันคือภาภาษาอังกฤษใช่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของวันอัสาราบูชาทุกปีก็วัวเรื่องเนี้แล้วก็ทำซ้ำย้ําๆนะจะได้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะถึงอันดับแรกก่อนว่าคือเรต้องเท้าความตั้งแต่ตอนที่พระาตรัสรู้ก่อนเลยอคือตอนที่ธรรมายังยังเป็นเด็กเนี่ยนะหรือเรายังไม่มาเรียนรู้คําสอนของพระเจ้าเนี่ย เราก็งงว่า <Okay. S 2> ทําไมจะต้องเดี๋ยวเอาทีล ะ, ะขั้นตอนก่นอนคืออันดับแรกพอประชาชนตัตรสรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหธรรมนีิมันลึกซึ้งเหลือเกินมันจะไปบอกใครแล้วใครจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคือเพราะมันลึกซึ้งมากเห็นได้ยากไม่ใช่ว่าคนธรรมดามันจะมาเปิดตาแล้วมันก็จะรู้ได้ไม่ใช่วิสัยที่จะใคร่ครวญได้ด้วยทางตรร ก, กะก็เลยมีจิตที่น้อมไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมจิตควงควายนะ้อในการที่จะไม่แสดงธรรม ทำให้สามบดีพรมเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดก่อนการแสดงธรรมนะเราต้องเท้าความตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อที่จะเอ๊ะมาถึงจุดที่แสดงธรรมเนี่ยทำได้ยังไงสามบดีพรมก็เลยทราบความที่พระเจ้าของเราเนี่ยแหมไม่แสดงธรรมนี้โลกจะแย่แล้วที่โลกจะแย่เนี่ยอรามาก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมสามบดีพรมถึงพูดอย่างนั้นทําไมจะต้องให้สามบดีพรมมา น, นิมนต์ทําไมพระเจ้าก็ ก็บำเพ็ญบารมีมาตั้งมากมายเพื่อที่จะแสดงธรรมแล้วทาไมยังต้องให้ใครมาเชิญอีกเหรออย่างเงี้ยเราก็มีความคิดนิดนึงตรงนี้อะนะสงสัยใช่ไหมเจ้าค่ะใ ช, ะใช่ใช่เจา้าค่ะนะจริงๆแล้วพอเรามาพิจารณาดูดีๆโดยบทเพียนชนะของเท้าสามบดีพรมบทเพียนชนะของพระพุทธาตอนที่กล่าวตอบกันเนี่ยแม่มันงดงามมากคุณเดินใจอื้ค่ะเท้าสามบดีพรมเนี่ยบอกอย่างนี้นะบอกว่าเนี่ยโลกจะชิบหายแล้วถ้าเพราะว่า เพราะว่าจิตของพระผู้มีพระภาคเนี่ยน้อมไปในการขวนขวายน้อยไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนะตรงเนี้ยสัมบดีพรมเนี่ยเห็นแล้วว่าโลกทุกวันนี้นะคุณเตนใจคนเบียดเบียนกันเนี่ยมันมากนะเบียดเบียนกันทั้งในวงราชการ ใ, กนในวงเอกชนพ่อแม่ลูกในครอบครัวลูกเต้าในตลาดมันยังเบียดเบียนกันด่ากันว่าการไม่รักษาศีล น, นะคือสัมบดีพรมเนี่ยเห็นแล้วว่าถ้าเผื่อว่า โลกเราเนี่ยไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันจะยิ่งกันเบียดเบียนมากกว่ากว่านี้อีกนะจะมีการเบียดเบียนไปในวงกว้างอาจจะมีสงครามกันเป็นหลายๆร้อยปีต่อเนื่องกันมานะข้าวยากหมากแพงทั้งนี้ทั้งนั้นที่ ท, ท, ที่มันเนกิดการรุกรุกไว้อย่างนั้นเถิะจ๊ะทใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่มันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีการเบียดเบียนมีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่มากคือคือก็มากอยู่แต่ถ้าไม่มีคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ จะมากไปกว่า น, นี้การเบี่ยดเบียนกันเนี่ยนะเจเพราะว่าคําสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องทวนกระแสคุณเดอนใจเป็นเครื่องทวนกระแสเป็นเครื่องที่จะต้านทานกระแสแห่งตันหาต้านทานกระแสพวกกามพวกนี้นะซึ่งเป็นตัวเหตุที่ไม่เกิดมีการสงครามมีการด่าว่าการมีการทะเลาะกันก็เพราะเจ้าเออตันหากามกรรมกุลพวกนี้นะคําสอนพระเจ้าเนี่ยทวนกระแสพวกนี้นะทําให้มันยังมีคนดีเหลืออยู่ในโลกบ้างนะอย่างคนดีอย่างเช่นคนที่ฟังรายการธรรมารัปรุณเป็นต้น นะดีมากบ้างดีน้อยบ้างก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ดีเจ้า<ส>ค่ะเซนต์ใหญ่ดีเจ้า <c oughs> ถ้าตื่นมาฟังแต่ตีห้าทุกวันนี้ต้องเป็นคนดีแน่นอนเจ้า<ช>ค่ะที่ว่ามีความดีอยู่มากทีเดียวสาธุเจ้าค่ะทีนี้พอพอสามพระพรมเห็นตรงนี้ก็เลยเคิดว่าจะต้องไปนิ ม, มนต์ให้พระเจ้ามาแสดงธรรมแล้วเพราะว่าตัวเองความสามารถไม่ถึงในการแสดงธรรมนะแล้วก็ทุกวันนี้เราเห็นดูเป็นยังไงนะเขาไปเที่ยวอ้อนวอนจุดทูบจุดเทียนบูชาพระพรหมอยู่นะ นั่นแหะพรมเดือดร้อนนะพรมเดือดร้อนนะ่ ค, ะคือหมายว่าคุณส่งข้อความขึม้นไปถึงสามบดีพรมอ่ะพรมก็ต้องเดือดร้อนสิโอ้เดี๋ยวคนนี้ก็เรียกเดี๋ยวคนนี้ก็ตามเดี๋ยวคนนี้ก็บอกต้องการอานี่ต้องการนี่แล้วฉันก็อยู่ไม่เป็นสุขอะ่ะเพราะนั้นเพื่อที่ใช้มีคนมาอ้อนวอนกับพรมเนี่ยน้อยลงเนี่ยนะสามดีพรมก็เลยเอาความรับผิดชอบนี้ให้สมณะโคดมซะหมายก็ว่าเอาความรับผิดชอบเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของธรรมะนะคือถ้าผูมว่าคนเนี่ยพึ่งธรรมะได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะก็ไม่ต้องมาพึ่งพรมไง จ้ะค่รมก็ไม่เดือดร้อนนะนี่เกิดในความเห็นของอาตมานะจ้ ใ, ะนในความเห็นของตัวเราเองนี่เป็นอัตโนมติความเห็นของเราเองอทีนี้สารมาิพรมก็เลยไปขอร้องพระพรุทธเจ้าให้แสดงธรรมมาอขอร้องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าให้พระองค์อาศัยความเมตตาเถิดให้ช่วยแสดงธรรมอาตมาก็มองว่าเอ๊ะพระพรุทธเจ้าของเรานี่ไม่ได้มีความเมตตาอยู่แล้วเหรอทาไมไม่สามารถที่จ ะ, ะตรวจสอบหรือว่า คือรู้เองได้ว่าฉันจะต้องแสดงธรรมนะทําไมต้องให้ใครมานิมนต์เข้าใจไหม ค, ค, คือพอเราม อ, มองประเด็นตรงนี้เราพบว่าบุุรชาของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีตัณหาแล้วคุณคุณเดืนใจเข้าใจนะคนไม่มีตัณหา ค, ค, คนไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่ได้ทําอะไรด้วยความอยากนะคือไม่ใช่ว่าเออฉันอยากแสดงธรรมฉันเลยแสดงธรรมแล้วฉันอยากจะสอนฉันก็เลยสอนไม่ใช่อย่างนั้น ค, ค่ะนะคือ จิตใจเนี่ยไม่ได้มีความที่ต้องการเรื่องลาบสการะเสียงสรรเสริญเยนยาต้องเป็นเจ้าลทัทธิต้องล้มล้างคนอื่นให้สิ้นไปหรือต้องการให้คนเข้าใจว่าเราเป็นผู้พิเศษไม่ได้เป็นอย่างนั้ น, นทีนี้แล้วทำไมไม่อาศัยความรักความเมตตาสอนเองเลยโดยที่ไม่ต้องให้คหนอื่นมานิมนต์ก็นี่อาจมามามองนี้ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันคือถ้าอยู่ๆพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงทําขึ้นมาเองเลยนะไม่ต้องรอใครบอกไม่ต้องรอใครมาช่วยนิมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีใยตรงข้ามที่มีความเห็น ตรงกันข้ามกันว่อาอ้าวนี่ไงผู้เช่ามีความอยากสามารถสัพพุธายังมีความอยากอยู่ๆก็สแสดงทำเองไม่ได้มีใครร้องขอก็ทําขึ้นมาอา้าวอย่างนี้เขาก็จะมากล่าวตู่ได้ก็เรียกว่ายังมีกิเลสอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะใช่เขาจะกล่าวตู่ตรงนี้ได้ค่ะค่ะทีนี้มันก็เลยเป็นอริยประเพณีจะสังเกตว่าตั้งแต่ผู้เช่าเนี่ยนะตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งถึงปริญพาน์วินัยต่างๆเนี่ยทั้งหมดที่ออกเนี่ยเพราะมีคนมาขอมีข้อเสื่อมเสียเกิดขึ้นจึงต้องบัญญัติขึ้นมา ท่าน菩าริบุตรเนี่ยตอนก่อนที่จะบัญญัติวินัยที่เป็นศีลหลายๆร้อยข้อเนี่ยนะของพระมีตั้ง227ข้อเนี่ยนะเจ้าค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแค่ศีลระบบเป็นหมู่หมู่นะเป็นศีลมัชชิมีศีลจุลศีลมหาศีลพวกนี้เท่านั้นเองเป็นศีลที่ <Okay. S 1> แบบไม่ได้ต้องมีการปรงอาบัตนะแต่นี้พอมาหลังเนี่ยพอมีการทําผิดกันมากขึ้นนะในช่วงก่อนหน้านี้นเนี่ยท่าน菩萨ริบุตรเนี่ยมาขออยู่แล้วว่าโอ้ยขอให้พระเจ้าบัญญัติเรื่องศีลเถอะบัญญัติสิกขาบทเถอะ มีการปรับอบัตอะไรต่างๆพระเจ้าบอกยังไปทำไม่ได้เด็เพราะว่ายังไม่มีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเราก็ยังทําไม่ได้อันเนี้ยเป็นลักษณะให้เห็นว่าเป็นเป็นอริยประเพณีคุณเตือนใจที่ว่าต้องทําตามเหตุคือถ้าไม่มีเหตุเราก็ไม่ได้ทํำคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถในการแสดงธรรมหรือว่าไม่มีความสามารถในการที่จะบอกสอนไม่ใช่อย่างนั้นเลยโหยความสามารถนี้เต็มเปี่ยม นั้นในสังสารวัตรเนี่ยผู้เช่ามีความสามารถในการสอนมากที่สุดไม่มีครูคนไหนจะประเสริฐไปกว่าสมมสมุทานะสมณครอมองนี้ทีนี้เรื่องความสามารถในการสอนนี่ไม่ใช่ประเด็นเลยนะแต่ที่ว่าไม่สอนก่อนเพราะว่าไม่มีเหตุให้ทำนะคือคือเป็นอริยะประเพณีในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหลวงตามหมาบวงเราอย่างเงี้ยตอนที่จะตั้งพระบาทช่วยชาติอย่างเงี้ยก็มีคนมาร้องขอ ถนะ้ท่านเลยอาศัยตรงนี้มาบริจาคดอลลาร์ก่อนท่านก็เลยอาศัยตรงนี้เป็นเหตุในการที่จะทำพระปาช่วยชาติขึ้นมานะเป็นโครงการที่ใหญ่ได้ทองตั้งหลาย10ตันเนี่ยน ะ, ะเช่นเดียวกันในสมัยพุทธกาลตั้งแต่พระรูญเจ้าอริยสาวกอสิติมาสาวก80รูปจะทําสิ่งใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีเหตุร้องขอนะให้ให้เป็นเหตุให้ถึงจะเริ่มทำํำนะไม่ได้เริ่รมทําด้วยตามความอยากของตัวเองซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็ไม่มีอยู่ดี ก็เลยเป็นอย่างนี้ตรงนี้ตาแม่จะมาวางว่าอ๋อเป็นอาริยะประเพณีนะสำบดีพรมเนี่ยมาชงเรื่องเนี้ถูกต้องแล้วนะเป็นความดีของท่านที่ได้มาชงเรื่องนี้ให้พระเจ้าจะได้อาศัยเป็นเหตุในการแสดงธรรมเพราะว่าจะได้ไม่มีใครกล่าวตูด้วยเป็นอารียะประเพณีของของเราอริย์สาวกด้วยตรงนี้นะอืชกค่ะทีนี้พอพระเจ้าตัดสินใจล้วคือคือตอนที่สัมบดีพรมมามันิมนเนี่ยนะเอ่อก็ไม่ได้ว่าเขคบันิมนฉันก็ทำไม่ใช่อย่างนั้น นะแต่ได้มีการตรวจสอบคําร้องขอคํานิมนต์นั้นก่อนนะคือสามบดีพรมเนี่ยมาบอกว่าโอ้สัตว์โลกนี่ที่มีทุลีนดวงตาแต่น้อยก็มีนะคนโง่ ก, ก็มีคนฉลาดก็มีคนฉลาดเนี่ยถ้าถ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วจะบรรลุได้นะสามบดีพรมพูดในลักษณะนี้พระเจ้าก็ไม่ได้เชื่อเลยนะคือคือบางคนเราเนี่ยอย่างลูกน้องมาบอกอะไรเรานะีคุณนใจเราเชื่อเลยนะหรือว่าไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อน คือไม่ใจจรองเลยใช่เชื่อเลยแต่แตพู้บุรุษชาของเรามีการตรวจสอบนะมีการตรวจสอบด้วยความสามารถพิเศษของพระองค์นั่นคือญาณพุทธจักสุกนะตรวจสอบเลยทั่วโลกธาตุนะสัตว์ดีไหมมีไหมมีสัตว์ไม่ดีมีไหมมีสัตว์ที่พอแสดงนำแล้วจะตรัสรู้ได้มีไหม ม, มีน ะ, ะก็เลยแบ่งสัตว์พวกนี้ออกเป็นเหมือนกับบัวสามเหล่าบัวสเหล่าก่อนที่เราได้ฟังกันนะเจ้าค่ะตอนตอนแรกนี้เป็นบัวสามเหล่าก่อนนะ บัว3าเหล่าก่อนก็คือบัวที่ยังอยู่ใต้ดินยังไม่พ้นจากในน้ำออกมายังอยู่ในยงอ ย, อยู่อยู่ใต้ดินอยู่แล้วก็บัวที่อยู่เราอยู่กลางน้ำแล้วก็บัวที่พ้นน้ำออกมาแล้วพร้อมที่จะบานอยู่แต่ยังหุบอยู่ทีนี้อาจารย์ก็เลยเพิ่มไปอีกอันหนึ่งเป็นอันที่สี่เพราะว่าพอมีอริยสาวกเกิดขึ้นมีผู้ที่เป็นพระอรหันต์ตามพระพรุทธเจ้าเนี่ยดอกบัวนั้นก็เหมือนกับดอกบัวที่บานแล้ว จึงเป็นบทที่สี่ออกมาเป็นเป็นดอก บ, บนอันที่สี่ที่บาดแล้วนั้นระโบว่าเป็ที่สนั่นก็หมายถึงพวกพระอาารัน์ทั้งหลายที่ตามตามมาในภายหลังทีนี้พอพอเป็นอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอางั้นฉันจะแสดงธรรมกนแล้วกันนะในเมื่อมีคนมานิมนต์เหตุปัจจัยพร้อมความรู้ความสามารถของเราก็มีนะเราก็แสดงธรรมกนแล้วกันนะตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งคุณเดินใจที่ว่าสมัย พ, พระพุทเจ้าเนี่ยแหมมันก็สมัยก่อนแล้วอนะ่ะนะเป็นสมัยที่ระบบการสื่อสารก็ต้องใช้เดินเอานะใช้เกวียน เ, เวลาเขาพูดถึงก็เป็นสังคมกสิกรรมซะส่วนมากแตนะไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี่เป็นยุคดาวเทียมนะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือคนละอย่างน้อยสองเครื่องนะไปไหนมาไหนก็มีเครื่องบินเรือบินพวกนี้มันก็จ ะ, ะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหรนะ่แต่ตรงนี้ทําให้เราเห็นประเด็นที่ว่าอย่างสมัยปัจจุบันเราออกรายการพุทยุเนี่ยคุณเดือนใจทุกคนฟังเป็นเป็นล้านนะ รวมทั้งที่ฟังย้อนหลังฟังล่วงหน้าอะไรไปเนี่ยโอ้โหเป็นหลายๆแสนหลายๆ ล, ล, ล้านนะในขณะที่พระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยจะแสดงธรรมเนี่ยนะคุณเตือนใจหาคนเดียวเนี่ยยังไม่มีเลยคือหมายความว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะคิดว่าถึงจะแสดงธรรมให้ใครฟังก็คิดถึงอาราธบทการละมโคดคนที่เคยสอนการทําสมาธิให้กับพระองค์ใช่ไหมปรากฏว่าอาราธบทการละมโคดก็ตายไปแล้วเอาก็เลยงั้นใครสอนใครดีพี่ที่จะ สามารถจะจะมีตรัสรู้ได้ตามเนี่ยก็เลยนึกถึงอุตรกระผู้รามาบทนะผู้ที่เคยสอนสมาธิขั้นสูงสุดให้กับพระองค์เหมือนกันะนะก็ก็ตายไปแล้วนะจะหาคนเดียวก็ไม่มีนะสุดท้ายเนี่ยหาได้5คนนะคือปัญจกวกัคคีย์ปัญจกวกัคคีย์หาได้5คนนี้ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะก็ต้องเดินไปอีกเป็นหลาย เ, ออเกือบหลายร้อยกิโลด้วยมั้งถ้าดูแผนที่จากอินเดียนะจากจตำแหน่งที่ตําบลขยาไปถึงเมืองสารนาที่อยู่ใกล้ๆกับ ตำบลสารนาที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองพาราณสีเนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลเหมือนกันก็ต้องเดินไปอ่ะนะช่วงตอนที่เราไปนี่เรานั่งรถยังแย่เลยนะเจ้าค่ะไกลมากเลยเจ้าค่ะใครเคยไปอินเดียคงจะเศร้านะคุณเดินไปเจ้าค่ะเดินไปออกแต่เช้ามืดเจ้าค่ะยังไปไปถึงมืดมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ใช่มันมันขนาดนั้นนะคิดดูแล้วกัน่เจ้าเดินทางเป็นหลายหลายวันเจ้าค่ะเป็นสัปดาห์ด้วยมั้งจากเท่าที่อหลักฐานทางบริษัทที่ นักวิชาการหลายๆคนได้ทำการค้นคว้ามาอันนี้อาตมาก็ไม่ได้ไปตรวจสอบ ต, ตรงนี้นะก็คือรู้สึกว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จากข้อมูลที่นักวิชาการเขาค้นคว้ากันมา2สัปดาห์เดินจากที่เมืองขยาไปเมืองพาราสีตรงนั้นก็ไปเจอปัญจับวากีทั้ง5คนและจับวากีจริง ๆ, ๆก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์มี5รูปนะเป็น ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด5้าคนนะคือในสมัยนั้นรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนกับในสมัยปัจจุบันะคือคือพอพระเจ้าประกาศศาสนาแล้วมีภิกษุสงฆ์มากมีคนมีความรู้ความสามารถต่างต่างเนี่ยการปฏิบัติการอะไรต่างมันก็เป็นรูปแบบมีความชัดเจนมีความรัดกลุ่มมากขึ้นเนะครื่องแบบก็มีการออกแบบที่มันดีมากขึ้นอย่างจีวรของพระในสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ย ก็เป็นลักษณะที่ออกแบบดีไซน์มั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เป็นรูปแบบที่<ช>ดีแล้ ว, <ช>ลวก่อนหน้าที่พระเจ้าจะสิบปีแรกของการตรัสรู้เนี่ยสิปีแรกหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยยังอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบอะไรอย่างที่เราเห็นปัจจุบั น, นผ้าก็ยังเป็นปอนๆอนอยู่ยังไม่ได้สีสันเป็นแบบนี้มีบุดบุเยือบเบียเบยเบ้ยวบ้างอะไรเงี้ยนะกล<ช><ค>นผมบ้างไม่กลนผมบ้างอะไรแล้วแต่ก็เลยอาจจะมีความความแปลกเปลี่ยนตรงนี้บ้างกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย พรุทธเจ้ารวมเรียกว่าสมณะนะหรือว่าผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทีนี้พอระยะหลังในช่วงสมัยพุทธเจ้าเองนั่นแหละนะมีการบัญญัติการาทํารูปแบบอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะ ก, ก็เรียกว่าเป็นภิกษนะุเป็นลักษณะของภิกษุทีนี้ว่าในช่วงนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ก็เลยเป็นลักษณะของว่าเอาเครื่องนุ่งห่มง่ายๆนะเราจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นภิกษุก็ไดนะ้แต่เป็นภิกษุในสมัย ริเริ่มในสมัยแรกๆนในคัมภี์บางอย่างก็บอกว่าเนี่ยเป็นภิกษุ5รูปนเป็นลักษณะของภิกษุทั้ง5ก็มีแล<จ>้วก็เลยเรียกว่าปัญจวัคคีย น, นั่นเองจุ๊ค่ะแต่ทีนี้พอไปถึงแล้วเนี่ยพวกภิกษุทั้ง5รูปนี้ก็ยังไม่ได้ฟังไม่ยอมที่จะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีความคิดว่าสมณโคโดมนี่เอ๊เลิอกอดอาหารแล้วก็เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆก็เลยไม่อยากจะสูงสิงด้วย แต่พ อ, อ, อ, อพอสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาใกล้ๆเข้าใกล้เข้าเนี่ยด้วยเหมือนกับความที่พระองค์เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโดยเรื่องของผิวพรรณก็ตามโดยเรื่องของลักษณะของอบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้พวกบรรดาวะคีเนี่ยไม่สามารถตกลงตามที่ได้ตกลงกันอาไว้คือตอนแรกว่าอาจจะตั้งเสือไว้เฉยๆอย่างนั่งก็นั่งแต่ว่าจะไม่ทําความเคารพจะไม่หยิบรับบาศจะไม่เอาน้ํามาล้างเท้า แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วทําไมได้เลยนะเดี๋ยวคนนี้ก็ไปรับบาตรเดี๋ยวคนนี้ก็ไปปูชาชนะให้คนนี้ก็ไปเตรียมน้ําล้างเท้ามาคนนี้ก็คอยเชิญมาเพื่อที่จะนั่งให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยจุคาแต่ว่าก็ยังไม่ยอมฟังธรรมอยู่ดีนะจนกระทั่งต้องพูดกันถึงสามรอบสี่รอบนะถึงจะยอมฟังธรรมนะนถึงจะยอมฟังธรรมะจุคาต้องบอกแล้วว่าอาฟังธรรมเถอนะพวกกัญจะเมื่อกี้บอกไม่ฟังกุจ่าบอกฟังธรรมเถอะ พวกวบรรดาเม่อกี้บไม่ฟังนะกันสม<ช>รอบนะ<ช>จะ<า>กระทั่งรอบที่สี่เนี่ย<ช>ก็พระพุทธเาก็ใช้ไม้ตายเลยบอกว่าเอา้าเราเคยบอกกับเธอไหมว่าเราบรรลุสัมมาสัมปชัญญะแล้วพวกนั้นก็เลยได้สติเออสมณะโกดมนี่ไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะว่าได้บรรลุธรรมแล้วไ อ, อ้วันนี้พูดสงสัยจะเป็นยังไงหล อ, ลองฟังดูต้องมีอะไรดีนะเจ้าค่ะชอย่างนั้นเจ้าค่ะฟังฟังไปเนี่ยนะฟั ง, ฟ, งฟังไปตอนแรกก็พระพุทธชาพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอริยสัจส ใช่ไหมคือพูดถึงเรื่องสุดตรงสองข้างละ่ะนะ<ช>ที่เราเข้าใจกันอะไรนะกาจฉรสุขาลิการุโยกนะแล้วก็อัตตกิรมถามนุโยกนะคือการชุ่มอยู่ด้วยกามในสุดตรงข้างที่หนึ่งกับการทรมานตัวเองให้ลําบากนี่สุดดว่าข้างที่2แต่ทาง<ช><ช>ของพระพุทธเจ้<ช>าเนี่ยเป็นทางสายกลางใช่ไหม<ช>แล้วก็อธิบายเรื่องทางสายกลางนี่คือเรื่องของอริยสัจสพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องทุกข์โอ้เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่เราเริ่มจัดรายการนะคุณเตือนใจไม่ได้ออกนอกอริยสัจสีนี้เลย เนคือถ้าถ้าอาจมาพูดออกนอกอริยสัจสเนี่ยเราจะพูดเรื่องนอกแนวเราจะถูกด่าได้ทีนี้เราต้องพูดอยู่ในเรื่องอริยสัจสี่เพื่อที่ว่าจะเป็นคําสอนของพระเจ้าหลักทีนี้เรื่องของอริยสัจสเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะพูดก็พูดนะคุณเดินใจเรื่องของของทุกข์เนี่ยเครือข่ายเขาก็เข้าใจอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่มาบวชเราอย่างบัรจ่าวกีเนี่ยนะก็มีความทุกข์ก็ต้องการพ้นทุกข์ พอพูดเจ้าพูดถึงเรื่องทุกข์อันนี้ก็เป็นการยืนยันความรู้ที่มีอยู่ในซอยนั้นนะว่าทุกข์มันมีแน่นอนปัญหามันมีเราจะต้องแก้ละทีนี้เราจะทํายังไงนะพระเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องทุกข์ก่อนนะทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความรำพันความทุกข์ใจความเข้าใจแต้ละหลายนะพวกนี้เป็นทุกข์ค่ะท่าอาตมาพูดเลยไปคุณเตือนใจก็ก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะได้จ้าค่ะค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องเหตุของความทุกข์นี่ตรงนี้สําคัญ นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคือพรหมบันดาลนะคนอื่นบันดาลให้ฉันจึงมีความทุกข์<ล>พระพรหมไม่มีความพอใจฉันฉันเคยไปทําอย่างนั้นไม่ดีมาฉันต้องลงโทษตัวเองด้วยการนอนบนหนามต้องทําตัวเป็นวัวเป็นควายเป็นต้นนะเพื่อให้พระพรหมพอใจฉันจะได้พ้นจากทุกข์อันนี้คื อ, อ ค, ความเชื่อของคนสมัยนี้สมัยก่อนนู้นเจะสมัยนี้ก็ยังมีบนาะงพวกนะ ทีนี้พระพุทธเจ้าสอนยังไงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุของความทุกข์เนี่ยไม่ใช่มาจากภายนอกแต่เป็นภายในนั่นคือตัณหาพอพูดตรงนี้ออกไปเนี่ยอาตมาเนี่ขนลุกเลยคุณเดินใจพอเรามาอ่านทราบซึ้งลงไปเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่เองที่ที่ทําให้เราปัญจวัคคีย์เนี่ยลงใจว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่าเป็นวิทยาการใหม่ที่เขาไม่ได้เคยพูดกันมาในสมัยนั้นเลย ไม่มีใครบอกเลยว่าเหตุของความทุกมาจากภายในไม่ต้องพูดถึงเหตุในโลกเลยนะเขายกอะไรก็ไม่รู้ที่เขาตรวจสอบได้บ้างตรวจสอบไม่ได้บ้างที่อยู่บนเหนือเหนือขึ้นไปนะเป็นพรมเป็นเทพเป็นพระเจ้าอะไรของเขามีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่คือไม่เคยมีใครพูดเลยอะ่ะว่าเหตุเกิดของความทุกเนี่ยมาจากภายในพอมาเป็นอย่างนี้เนี่ยพอฟังไปอ๋อตัณหาตัณหาือความอยากความทยานอยากนะความทยานอยากในกามความทยานอยากในภพ คือความมีความเป็นความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นพอฟังตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยเกิดความปิ๊งขึ้นมาว่าโอ้นี่แหละแจ๋วจริงๆเลยเป็นเป็นความรู้ใหม่ที่ว่าไม่ได้มีใครคิดค้นมาก่อนเนี่ยไม่ได้พูดกันสมัยนั้นเจ้าค่ะทำให้อ่ามามีความเข้าใจว่าปัญจวัคคีย์ก็เลยจะลงใจเพราะตรงนี้นั่นเองเจ้าค่ะเรื่องของเหตุของความทุกข์เนีพอพูดถึงแล้วก็อธิบายว่าเหตุของความทุกข์มันมาจากตรงไหนตรงไหนเป็นเหตุของความทุกข์ได้บ้าง ตันหาเวลามันยึดเราเนี่นะคุณเดนใจมันยึดหมดทุกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความรู้สึกต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเวทนาที่เกิดขึ้นสุขเป็ น, ส, ปนสุขเป็นทุกข์ต่าง ๆ, ๆมันยึดเราตรงนี้หมดจับตรงไหนมันเหนียวติดเลย <Okay. S 1> พอ่ะโอเคพระเจ้าเคยยกตัวอย่างกับลิงตัวหนึ่งคุณเดใจเขากมมมม็มีมีวางกับดักลิงเอาไว้แล้วก็วางกล้วยไปตรงกลางแล้วก็มีฐานใบใหญ่ๆอันหนึ่งแล้วก็มีเอากาวกาวเหนียววางไว้รอบ น่นลิงเนี่ยก็จะเข้าไปหยิบบึกบึติดมือก็ติดมือติดแล้วน่นก็คิดว่ามือขวาติดเนี่ยก็เลยคือขาหน้าติดนะนะขาหน้าข้างขวาติดก็เลยจะเอาขาหน้าข้างซ้ายเนี่ยเข้าไปช่วยปรากฏขาหน้าข้างซ้ายก็ติดเหมือนกันนั่นก็จะเอาขาหลังข้างข้างขวาเข้าไปช่วยขาหลังข้างขวาก็ติดเหมือนกันนั่นก็เลยคิดว่าจะเอาขาหลังข้างซ้ายเข้าไปช่วยเอาไปเคี่ยวเคียดูขาหลังข้างซ้ายก็ติดเหมือนกันเหมือนกาวดักหนูอย่างเงี้ยนะอืมเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าโอ้ฉันทำไงสีขาฉันติดหมดเลยก็เอาปากเข้าไปช่วยปากก็ติดเหมือนกัน น, นคื อ, ค, อคือตัณหาเป็นลักษณะของยางเหนียวกาวเหนียวเนี่ยเป็นลักษณะงี้พระเจ้าอธิบายเอาไว้แต่ทำให้เราไม่สามารถหลุดไปจากพบได้ไม่สามารถหลุดออกไปจากสังสารบัจได้พระเจ้ า, าก็เลยแสดงธรรมแสดงธรรมไปเนี่ยตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธ ม, มากมากคืออะไรอธิบายไปนะจนกระทั่งว่าอัญญาโกฏัญญาหนึ่งในภิกษุ5รูปเนี่ยเกิดความเข้าใจชัดเจน บรรลุเป็นโสดาบันมีความเที่ยงแท้ต่อปรมิพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่มี น, นรกกำเนิดกระชั้นเปรยวิสัยอยู่เลยก็เลยทำให้เป็นที่มาของภิกษุที่บวชอยู่ในธรรมวินัยนี้ข อ, อบวชเป็นภิกษุก็เลยทำให้มีลักษณะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นพร้อมแล้วก็มีการแสดงธรรมจารมีการที่อบอกสอนคาสอนตั้งแต่บัด น, นั้นมา อันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เกิดในวันนั้นอย่างย่อๆก็แล้วกันจ้าค่ะค <c oughs> ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องราวที่เกิดในวันอาสารฮับูชานะจค่ะก็เป็นวันที่พวกเราคงจะทราบดีว่าเป็นวันที่พรอะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปฏิโมกที่ป่าอิสิปตนะมฤุกะทายวันนะเจ้าคะที่เราท่องจํากันมาทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสากัะชาหรือเล่ามานี้ที่ฉันคิดว่าคงจะทบทวนความจําของผู้ฟังได้อย่างดีในขณะเดียวกันก็ได้แง่คิดได้ความรู้ทางด้านของธรรมะของพุทธองค์ด้วยนะคะซึ่งเราก็คงจะนํามาสนทนากันต่อนในสัปดาห์หน้านะเจ้าคะ เ, า เ, วเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วหรือประมาณสักหนึ่งนาทีเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาฝาก แง่คิดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านสักนิดหนึ่งเถิดเจ้าข่าเกี่ยวกับวน<ด>ันอ<ข>าสารหาบูชาเจ้าข่านิมนต์เจ้าข่าคือ <ขา S 2> นี่คือเราพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ 2,600 ปีมาก่อนนะแต่ทุกวันนี้มันคืออะไรมันเป็นวันหยุดวันที่เราหยุดราชการหยุดงานเอกชนได้หยุดบ้านอยู่บ้านหนึ่งวันสบายๆเพราะนั้นในวันหยุดเนี่ยอาตมา ก, ก็จะขอสักวันหนึ่งไม่ต้องเอาทั้งวันก็ได้ขอสักครึ่งชั่วโมงอ่ชั่วโมงหนึ่งก็ดีนั่นะที่เราจะไปหาฟังธรรมะนะเป็นธรรมะที่เป็นพุทธวจนะ ฟังแล้วอาจจะไม่ต้องฟังหมดก็ได้เอาเฉพาะที่เราเข้าใจและเข้าใจแล้วเอาเข้อไปในใจพ่อที่จะให้ทราบซึ้งได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในเราใช้เวลาในวันอยู่ของเราที่มีเนี่ยในการที่จะฟังธรรมะก็แล้วกันเนาะฝากไว้เท่านี้ เจ้าค่ะก็น่าเป็นคำฝากที่น่าคิดทีเดียวนะเจ้คาคะเพราะว่าการที่รชาชการให้เป็นวันหยุดนั้ น, 2> 2นก็เพื่อให้บรรดาพุทธศาส น, นิกชนก น, ก <c oughs> นะเจ้าคะ <c oughs> ได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆ <c oughs> ใ่ใ่ไม่ใช่หยุดให้ไปเที่ยวนะเจ้าค่ะค่ะท่านูฟังคาเวลาในรายการธรรมรัปรรุณในเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะคิดว่าเราคงจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งก็จะเป็นวันที่สี่ที่ห้าสิงหาคมก็จะ พ้นวันอาสาฬห บ, บูชาแล้วก็เข้าพรรษามาเพียงแค่วันสองวันเท่านั้นซึ่งก็จะขอสัญญานะคะว่าจะนำํำธรรมบุฟังได้มากราบน้ำมศการพระอาจารย์ไพบุญอภิบุโนแล้วก็มาพูดให้ฟังว่าบางคนเราตั้งใจในช่วงเข้าพรรษานั้นอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีความตั้งใจของเราเนี่ยก็ล้มเหลวไปอันนี้จะทํายังไงถึงจะถาสามารถทําให้เรายัางตั้งมั่นอยู่ได้นะเจ้าคะในจิตที่ดีของเรานั้นนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขา สาธุเจ้าค่ะสำหรับเชา้าวันนี้ก็คงต้องลาแล้วราคาเวลาหมดแล้วนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พิบูลในพิบูโนแห่งวัดป่าดอนไฮโศกพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่ที่ตาบลดอนไหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบน้ำสการขอบพระคุณและกราบน้ำสก า, ารลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดือพานสาธุเจ้าค่ะ